แนะนำบทอัตริกบทอัตริกเป็นบทมักกิยาะมี17องค์การกานหลักของบทกล่าวถึงเรื่องการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุงพอพิสูจน์อันชัดแจ้งและหลักฐานอันแน่นอนได้ยืนยันถึงความสามารถของอัลลอ์ที่จะให้มีการฟื้นคืนชีพเพราะผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากไม่มีอะไรเลยย่อมสามารถที่ให้เขากลับฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วได้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 บทนี้ได้นำหลักฐานและข้อพิสูจน์มายืนยันถึงเดชะนุภาพของพระเจ้าแห่งสาบลโลกที่จะให้มนุษย์กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากสูญสิ้นชีวิตไปแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงการเปิดเผยสิ่งเร้นลับและเปิดมา่านให้ความจริงประจักษ์ในวันอาคิร์อโดยไม่มีผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มครองใดบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงอลักลกุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ของมฮัมหมัดสุลลัลละวะสลัม และเป็นพยานหลักฐานยืนยันแก่มวลมนุษย์ทั้งปวงและได้ชี้แจงความจริงของอลัลกรุรอานนี้อีกทั้งได้สัญญาร้ายแก่พวกปฏิเสธศรัทธาที่กระทำความผิดถึงการลงโทษอันเจ็บปวดด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู una, ้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ خاص ะาบานด้วยชั้นฟ้าและดวงดาวที่ปรากฏในเวล า, าค่ำคืนและอะไรเล่าที่ทําให้เจ้าได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏในเวล า, าค่ำคืนนั้นคืออะไรคือดวงดาวที่ประกายแสนุองไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลําพัง แต่มีผู้เฝ้ารักษามันดังนั้นมนุษย์จงไตรตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไรเขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมามันออกมาจากกระดูกสันหลังของชาย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 สสขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลังน้ำฝนและแผ่นดินที่ปริออกให้มเมล็ดพืชออกม า, า, าแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือพระธรรมดัดที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ อัลกุรอานนั้นไม่ใช่เรื่องไร้าสาระแท้จริงพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่และข้าก็วางแผนอยู่ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิดข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง